จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆท่านวันนี้เป็นวันที่สิบสี่มกราคมพุทธศักราชสองพันห้า้อห้าสิบเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการ และเป็นวันสำคัญของวัดยาณสังวรารามเพราะเป็นวันทาบุญประจำปีของวัดที่ทางวัดจัดขึ้นทุกๆปีในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนม ก, กราปีนี้วันอาทิตย์ที่สองม ก, กราก็ตรงกับวันที่สิบสี่มกราคมจึงได้มีการจัดถวายมหาสังฆทาน มีมนพระ999รูปมารับสังฆทานโดยมีสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการกล่าวคำถวายการกระทำสังฆทานนี้ถือว่าเป็นบนุญสูงสุดในในเรื่องของการให้ทาน แก่บุคคลการให้ทานนั้นเราสามารถให้กับบุคคลได้ต่างหลายหลายชนิดด้วยกันให้กับคารวะก็ได้ให้กับพระก็ได้ให้กับสัตว์เลี้ยงก็ได้เช่นแมวสุนัข ก, การให้สิ่งต่างๆแก่เขาเรียกว่าทานผู้รับ ก, ก็เป็นบุคคลถ้าให้เป็นบุคคล มันก็เรียกว่าเป็นปาติบุคคลิกทานทานที่ฉวายจำเพาะเจาะจงให้กับบุคคลส่วนสังคทานเป็นทานที่ถวายให้กับสงฆ์คือให้กับพระภิกษุทุกรูปที่จำพรรษาอยู่ในอารามแห่งใดแห่งหนึ่งคือไม่ได้ถวายเจาะจงให้กับพระรูปใดรูปหนึ่ง ไม่ได้เจาะจงถวายให้เจ้าอาวาสไม่ได้เจาะจงถวายให้อาจารย์ไม่ได้เจาะจงถวายให้หลวงพี่องค์นั้นองค์นี้แต่ถวายให้เป็นของส่วนกลางสงฆ์เป็นของพระทุกทุกรูปเพื่อพระทุกทุกรูปที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งของต่างๆจะได้มีสิทธิ์เอามาใช้ได้ ถ้าถวายให้กับเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งของชิ้นนั้นก็จะเป็นของบุคคลนั้นพระรูปอื่นจะมาเอาไปใช้เองไม่ได้ต้องขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อนแต่ถ้าเป็นสังฆทานนี้พระไม่ต้องขอกันเป็นของที่ถือว่าเป็นมีสิทธิ์ร่วมกันใช้ประโยชน์ได้ถ้ามีการอุปโลก เป็นการเรียบร้อยแล้วเช่นเมื่อกี้นี้ก็ได้ทําพิธีอุปโลกสังฆทานเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาของพระญาติโยมฟังก็ไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายให้ทราบว่าเมื่อกี้นี้ได้ประกาศให้สงฆ์ได้รับทราบว่าได้มีสังฆทานเกิดขึ้นในถ้ากลางสงฆ์แล้วขออนุญาตนําเอาของสังฆทานเหล่านี้มา จำหน่ายแจกแจกจ่ายกันโดยให้พระเถระเป็นผู้พิจารณาก่อนแล้วก็เลื่อนลำดับลงไปตามอาวุโสพันเตตามลำดับพันษาจนถึงสัมมเณีองค์สุดท้ายแล้วถ้ายังมีของที่เหลืออยู่ก็ให้เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญกันในวันนี้ ดังอาหารทั้งหลายที่ได้มาจากบิณฑบาตเมื่อหลังจากที่พระทีกสุท่านได้พิจารณาได้แบ่งเอาไว้แล้วที่เหลือก็เอามาเลี้ยงญาติโยนที่มาทําบุญร่วมกันและญาติโยนที่อยู่ที่วัดและคนงานของวัดถ้าได้รับการทําอุปโภคแล้วนําเอาไปแจกจ่ายก็จะไม่เป็นบาปเป็นกรรมอย่างไร แต่ถ้าของยังไม่ได้รับการอุปโภกคือยังไม่ได้รับฉันทานุมัตจากสงฆ์ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะเป็นพระหรือเป็นคารวาหยีบเอาไปก่อนเอาไปใช้เอาไปรับประทานก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นหนี้สงฆ์ดังนั้นสังฆทานก่อนที่จะเอาไปใช้ได้จะต้องมีการอุปโภกก่อนทุกครั้งไป ดังที่ว่าเราได้ทำเป็นธรรมเนียมมาตลอดเวลาไ <c oughs> ม่ว่าอาหารที่ได้มาจากการรับปรานบิณฑบาตก็ดีอาหารที่ญาติโยมนำมาใส่บาตรมาถวายพระก็ดีหรือจะตุวปัจจัยทายทาน <c oughs> เครื่องสังฆทานต่างๆที่ญาติโยมได้ถวายก็ดีล้วนเป็นสังฆทานทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ดังนั้น ทระภิกษุก็จะต้องเอามาแบ่งกันไม่ได้ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บไว้ใช้สําหรับตนเองเพียงผู้เดียว <c oughs> นี่คือความหมายของสังคทานและอนิสงค์ของสังคทานจึงถือว่ามีอนิสง์มากกว่าการถวายทานให้กับบุคคลเพราะว่าการถวายให้กับสงฆ์นี้เท่ากับเป็นการถวายให้กับพระพุทธศาสนา พระสงฆ์นี้เป็นตัวแทนของพระศาสนาเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาเป็นผู้ทําให้ศาสนาจเจริญยั่งยืนต่อไปได้ถ้าไม่มีพระสงฆ์แล้วศาสนาก็จะค่อยหดไปหดไปและจดหมดไปในที่สุด <c oughs> เพราะว่าไม่มีผู้ใดจะมาสืบทอดพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั่นเอง เมื่อไม่มีการศึกษาไม่มีการสืบทอดก็จะไม่มีการเผยแผ่ต่อไปโลกเราก็จะไม่รู้จักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันอย่างไรเมื่อไม่มีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแล้วความทุกข์ความหายน้าต่างๆก็จะเกิดตามมาเพราะคนเราก็ต่างจะทําตามความอยากตามความต้องการของตนเอง ทำไปด้วยความเห็นแก่ตัวทำไปด้วยความหลงก็จะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องวุ่นวายมีการต่อสู้มีการแก่งแย่งชิงดีมีการฆ่ามีการทำร้ายทำลายกันสังคมก็จะเป็นสังคมที่ <c oughs> มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนไปทุกผลทุกแห่งเพราะไม่มีน้ำธรรมะม า, มาดับความ โลกความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายนั่นเองโลกก็จะร้อนเป็นไฟเพราะจะไม่มีใครรักษาศีลกันพราะทุกคนต้องการอยากจะได้สิ่งต่างๆก็ต้องมีการไปฉกชิงแก่งแย่งชิงดีกันไปต่อสู้กันไปฆ่ากันไปทําลายกันไปทําร้ายกัน <c oughs> <c oughs> แต่ถ้ามี พระธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาะยังอยู่ในโลกนี้เช่นวันนี้ก็มีการแสดงพระธรรมเทศนามีการสอนให้รู้จากวิธีที่เราจะอยู่กันร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสอนให้เรามีเมตตากรุณาให้มีการเสียสละเช่นวันนี้เราก็มาเสียสละเวลา และสมบัติข้าวของเงินทองซื้อข้าวของต่างๆเอามาถวายพระ <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้ทานเป็นการทําให้สังคมเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขผู้ใดเดือดร้อนก็ควรจะได้รับการดูแลผู้ที่มีเหลือกินเหลือใช้ก็ควรที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อน แล้วทั้งสองฝ่ายจะมีความสุขผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือก็จะมีความสุขผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็จะมีความสุขเพราะเวลาที่ได้ช่วยเหลือใครแล้วจิตใจจะมีความสุขมีความอิ่มเอิมีความปิติมีความภูมิใจแล้วจะทำให้สังคมอยู่กันด้วยความรักด้วยความเมตตา แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างคิดจะเอาแต่ได้โดยถ่ายเดียวไม่คิดที่อยากจะให้ไม่คิดที่อยากจะช่วยเหลือกันและกันสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่แรแ้แค้นเป็นสังคมที่มีความแตกต่างกันระหว่างคนมีและคนไม่มีเมื่อมีความแตกต่างกันมากคนที่ไม่มีก็ต้องหามาด้วยวิธีที่ไม่ชอบ ก็ต้องไปปล้นไปขโมยจากคนที่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะมีปัญหาต่างๆตามตามามีความทุกข์ความเสียอกเสียใจตา่างๆตามมามีความเดือดร้อนกันทั่วไปหมดนี่คืออนิสงค์ของการถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์เพราะเป็นการสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้บวชเรียน ได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วได้นำเอาสิ่งที่ตนได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัตินำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นผู้ที่ยังไม่รู้เมื่อเขารู้แล้วเขาก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติต่อเมื่อทุกคนปฏิบัติตามพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนก็จะมีความสุขมีความร่มเย็น ทุกคนจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจเพราะจิตใจของพวกเรานั้นยังต้องพัฒนาไปอีกมากเพราะภูมิต่างๆที่เรายังต้องพัฒนาขึ้นไปยังมีอีกหลายขั้นด้วยกันตั้งแต่ขั้นมนุษย์ขึ้นไปต่อไปก็จะเป็นขั้นของเทพของเทวดาต่างๆจากนั้นก็เป็นชั้นของพรหมต่างๆ หลังจากนั้นก็จะเป็นชั้นของพระอริยเจ้าต่างๆของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอราหันต์พระพุทธเจ้านี่เป็นการพัฒนาจิตใจที่จะทำให้จิตใจนั้นดีขึ้นสูงขึ้นกระเสริฐขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไป ภพชาติที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นภพชาติที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าเดิมชาตินี้เราดีขนาดนี้ชาติหน้าเราจะดีกว่าเกา่าถ้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมีฐานะที่ดีกว่าเกา่าร่ำรวยกว่าเกา่ามีสติปัญญาความรู้มากกว่าเกา่ามีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากกว่าเกา่า อัรา น, นิสงส์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่การบำเพ็ญทานบา ร, รมีอย่างที่พวกเราทั้งหลายกำลังบำเพ็ญอยู่นี้จากทานบา ร, รมีเราก็ขยับขึ้นไป <c oughs> สู่ศีลบา ร, รมีรักษาศีลกันศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดข้อ เราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปแล้วเราก็ต้องพัฒนาจากศีลไปสู่เนขัมมะบา ร, รมีออกบวชกันออกบวชละเว้นจากการหาความสุขจากการมีครอบครัวมีคู่ครองเนขัมมะบา ร, รมีหมายถึงการอยู่ตามลำพังถือศีลแปดไม่มีคู่ครองไม่นอนกับใครนอนคนเดียว นอนบนพื้นแข็งๆปูเสื่อนอนไม่ต้องนอนบนฟูกอาหารก็กินเพียงแค่เที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่กินอีกต่อไปความสุขความบันเทิงก็ไม่แสวงหาไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยู่กับวัดอยู่กับบ้านไหว้พระสวดมนต์ นั่งทาสมาธิทำจิตใจให้เกิดความสงบสุขนี่เรียกว่าเนคขมบารมีแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเพื่อที่จะได้เกิดเป็นปัญญาบารมีเป็นความรู้ความฉลาดที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจาใจ เพื่อที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือได้เป็นพระอรหันต์แล้วพบชาติก็จะไม่มีตามมาอีกต่อไปไม่ต้องไปไหวไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิดไม่ต้องไปทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายการพัดพลาดจากกันนี่คือ การเจริญการพัฒนาของจิตใจเพราะจิตใจไม่ใช่ร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายจิตใจเป็นสิ่งที่ยังต้องไปเกิดต่อเป็นเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถ รถยนต์เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เก่ามันก็เสียแล้วมันก็พังไปในที่สุดแต่คนขับก็ไม่ได้เสียไม่ได้พังไปกับรถยนต์คนขับก็ไปหารถยนต์คันใหม่ถ้ามีเงินมากกว่าเก่าก็สามารถซื้อรถที่ดีกว่าคันเก่าถ้ามีเงินน้อยกว่าก็จะซื้อรถที่ไม่ดีเท่ากับคันเก่า เงินของจิตใจที่จะไปเกิดใหม่ก็คือบุญและกุศลนี่เองถ้าทำบุญเช่นชาตินี้ทำบุญอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีเนคขมภะก็ดีสมาธิก็ดีหรือปัญญาก็ดีถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเก่าเก่งกว่าเก่าสวยกว่าเก่ารวยกว่าเก่า เพราะอำนาจของบุญบรารมี <c oughs> ที่เราทำกันอยู่ในรบนี้ในชาตินี้นั่นเองนี่เป็นเหตุที่ทำไมพวกเราจึงต้องมาวัดกันอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นเหมือนกับการมาเติมน้ำมันนั่นเองหรือเหมือนกับการรดต้นไม้เราปลูกต้นไม้ไว้ถ้าเราไม่รดน้ำต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุดจะไม่เจริญงอกงามขึ้นมาได้ แต่ถ้าเราหมั่นลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆต้นไม้ก็จะค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นไปจนในที่สุดก็จะออกดอกออกผลให้เราได้เชยชงได้ลิ้มรสของผลละไม้ที่เราปลูกไว้นันใดการทำบุญทําทานการบําเพ็ญบารมีต่างๆก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้สูญหายไปไหน อย่าไปคิดว่าทําสิ่งเหล่านี้แล้วศูญไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะติดไปกับใจของเรา <c oughs> เมื่อใจของเราไปข้างหน้าก็จะเป็นใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นใจที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิมเป็นใจที่มีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่าเดิมเป็นไฟที่เป็นใจที่ไม่หลงกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผด ภ, ภาดต่าง แต่จะหาความสุขจากการทำความดีหาความสุขจากการรักษาศีลหาความสุขจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นสิ่งที่จะติดไปกับจิตใจของเราแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะทำให้จิตใจของเรานี่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดลอ้อม ถ้าเกิดเราไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่และเราปฏิบัติสอนตัวเราเองไปตามลำพังแล้วสามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากขีดจากใจได้เราก็จะกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ท่านก็ได้เคยบาเพ็ญบุญบรารมีต่างๆมาเป็นเวลาอันยาวนานเมื่อถึงเวลาที่บุญบรารมีนั้นจะออกดอกออกผลก็ทำให้ท่านได้ออกบวชได้ปฏิบัติได้ค้นคว้าหาความจริงจนในที่สุดก็สามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปจากกิตจิจากจิตจ า, จากใจของพระ อ, องค์เองได้ด้วยตนเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีใครรู้วิธีต่อสู้กับกิเลสนั่นเองพระพุทธเจ้าเลยต้องหาวิธีด้วยตนเองเมื่อสําเร็จแล้วก็เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสิรุด้วยตนเองนั่นเองถึงจะเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้า แต่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเรานี้ถ้าเราน ำ, นำเอานำเมาคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามแล้วสามารถกาจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจได้เราก็จะกลายเป็นพระอรหันตาสาวกขึ้นมาไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจนั่นเหมือนกัน จิตใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนั่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจิตของพระพุทธเจ้าหรือจิตของพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าคนหนึ่งบรรลุกําจัดความโลภความโกร ธ, ค ว, กรธความหลงด้วยตนเองไม่มีใครสั่งสอนแต่อีกคนหนึ่งคือพระอาหารหันต์ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนจึงจะสามารถบรรลุได้ แต่ผลก็เหมือนกันคือสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งปวงบรรลุถึงพระนิพพานเหมือนกันจิตถึงบรมสุขเหมือนกันเรียกว่าปรมังสุขขังเหล่านี้เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันต่างกันตรงที่ว่าคนหนึ่งต้องช่วยตัวเองต้องสอนตัวเองจึงได้เป็นพระพุทธเจ้า ส่วนเด็กคนหนึ่งไม่สบายกว่าไม่ต้องสอนมีคนคอยสอนง่ายกว่าคนที่จะต้องสอนตัวเองเหมือนกับคนที่จะเดินทางไปไหนแล้วไม่รู้จักทางไปไม่มีใครชี้ทางต้องเดินหาเอาเองคนนั้นจะลำบากต้องไปทดลองหลายทางไปเหนือก่อนถ้าไปเหนือไม่เจอก็ต้องไปใต้ไปใต้ไม่เจอก็ต้องไปทิศตะวันออกทิศตะวันออกไม่เจอก็ต้องไปทิศตะวันตก จนในที่สุดจนในที่สุดก็จะเจอแต่คนที่มีคนสอนมีคนบอกทางแล้วก็ไม่ต้องไปทดลองทางให้เสียเวลาเดินตรงไปตามทางที่เขาบอกเลยอย่างพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี้สบายมากไม่ต้องไปหาทางเองเพียงแต่ฟังพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตาม่านันก็สามารถบรรลุถึง ความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันขณะนี้พวกเรากําลังศึกษากําลังได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำบุญให้ทานให้เรารักษาศีลให้เราบำเพ็นเมตตามะบารมีออกบวชบ้างบวชสาวันเจ็ดวันก็ยังดี บวชสิบห้าวันก็ยังดีบวชสัรพันศาหนึ่งก็ยังดีเหรือจะบวชไปตลอดไปได้ก็ยิ่งดีใหญ่เพราะนี่จะเป็นวิธีที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเป็นคาร่ า, า น, นี้หลุดพ้นยากเพราะมีเรื่องมากมีปัญหามากมีภาระมากจะนั่งสมาธิก็ลำบากจะอดข้าวเย็นก็ลำบากเพราะคนอื่นเขาก็ไม่อดข้าวเย็นกับเรา พอเราอดข้าวเย็นเขาพอเวลาเขากินข้าวเย็นเราก็อดทนไม่ไหวเห็นเขากินเราก็ไปกินกับเขาด้วยอย่างนี้ก็จะไม่สามารถยกจิตใจของตนเองให้อยู่สูงขึ้นไปได้แต่ถ้าเราออกบวชมาอยู่วัดแล้วทุกคนปฏิบัติเหมือนกันถือศีลเหมือนกันไม่กินข้าวเย็นเหมือนกัน <c oughs> อย่างนี้ก็จะทาให้การปฏิบัติของเราเป็นไปได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วและเราก็จะหลุดพ้นได้อย่างสะดวกรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้โอกาสกับตัวเราบ้างเป็นสิ่งที่ดีที่เรายังไม่รู้กันพวกเราส่วนใหญ่กลัวกันเพราะกลัวความลําบากกลัวอดข้าวเย็นกลัวไม่ได้นอนฟูกบนฟูกกลัวไม่ได้ดูหนังดูโทรทัศน์ดูทีวีแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยเรามันมีแต่จะฉุดลากให้เราวนเวียนอยู่ ในวัฏจักรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ถ้าเรายอมอดทนสักหน่อยอดข้าวเย็นสักหน่อยอดดูโทรทัศน์อดดูหนังฟังเพลงสักหน่อยแล้วก็มานั่งสมาธิมาศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมไม่ช้าก็เร็วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ไม่ดีกว่าเลยลำบากลำบนเพียงไม่นานไม่กี่วันไม่กี่ปีแล้วก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นล้านล้า น, นปีเนี่ยถ้าพวกเรายังไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้เราก็ยังจะต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดก็ต้องร้องหย่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ <c oughs> เพราะว่าจะต้องเสียสิ่งนั้นเสียสิ่งนี้ จะต้องจากคนนั้นจากคนนี้ไปอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงใดสักวันหนึ่งก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปทั้งหมดเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงโลกนี้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองเรามาเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วเดี๋ยวเราก็ตายตายไปแล้วเราก็ไปเกิดใหม่แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอีกสูงสูงต่างๆ ดังบางทีก็เกิดเป็นมนุษย์บางทีก็เกิดเป็นเดราาัจฉานบางทีก็เกิดเป็นเทพเป็นพรหมบางทีก็ไปตกนรกขึ้นอยู่กับบาปบุญที่เราก็ทำกันอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อเรื่องเรียนไหว้าตายเกิดเชื่อเรื่องการหลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดเชื่อในมรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงล้วนๆไม่มีความไม่มีของปลอมอยู่เลยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระอาหารหันต์ทุกๆพระองค์ได้พิสูจน์เห็นแล้วอย่างเด่นอย่างแจ้งชัดแล้วจึงได้นาเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราควรจะน้อมเข้ามาด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อ น้องก็ามาด้วยความวิริยะด้วยความขยันหมั่นเพียรมันปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาวัดอยู่เรื่อยๆทาบุญทำทานอยู่เรื่อยๆรักษาศีลให้มากแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตรงสังขารตรงอนิจจทุกขังอนัตตาเตือนตัวเองอยู่เสมอเสมอว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดานี่เป็นปัญญาถ้าเราไม่ลืมว่าเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องพัดพลาดจากกันเวลาที่ความแก่เกิดขึ้นเวลาที่ความเจ็บเกิดขึ้นเวลาที่ความตายเกิดขึ้นเวลาที่การพัดพลาดจากกันเกิดขึ้นเราจะไม่รู้สึกหวั่นไหว เราจะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นและเราได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมันนั่นเองเหมือนกับเรารู้ว่าพระอาทิตย์ที่ขึ้นในวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นมันก็จะต้องตกลงไปเวลาพระอาทิตย์ตกลงไปเราก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้วุ่นวายใจไม่ได้เสีย อ, อกเสียใจไม่ได้ร้องผมร้องไห้เพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้น การเตรียมตัวเตรีตตตตยมใจนี่เรียกว่าการปล่อยวาง น, นั่นเองไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันใครจะจากเราไปเราจะจากใครไปเราก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปเพราะใจของเรานี่มันไม่ตายมันไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นมันเป็นผู้รู้มันเพียงแต่รับรู้อยู่เท่านั้น ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับอะไรแต่เราต้องเตือนตัวเราอยู่เสมอว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดนะมีอะไรก็รู้ว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของยืมเข้ามาเดี๋ยวสักวันหนึ่งเจ้าของเขาก็าจะมาขอคืนไปไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดา เป็นญาติชนิดมิตรสหายเขาจะต้องมาเอาคืนไปอย่างแน่นอนแม้แต่ร่างกายของเราเขาก็จะต้องเอาคืนไปเช่นเดียวกันถ้าเราเตือนตนอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงและเราจะไม่ยึดและเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่คืออานิสงส์ของการประพฤติธปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราทุกคนเมื่อปฏิบัติแล้วจิตใจเราจะร่มเย็นเป็นสุขจะไม่โลภโมโทสัน จะอยู่กันอย่างเมตตากรุณามีอะไรก็ดูแลกันช่วยเหลือกันเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทุกคนก็จะมีความสุขดังสุภาษิตที่พูดไว้ว่าเมตตาเป็นเครื่องค้าจุนโลกโลกเราจะอยู่กันด้วยความสุขด้วยความร่มเย็นเพราะโลกมีความเมตตาต่อกันสัตโลกมีความเมตตาต่อกันจึงอย่ามองข้ามความเมตตาอย่ามองข้ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้า ขอให้น้อมเอามาปฏิบัติและเตือนตนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้ดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วผลที่เลิศที่วิเศษก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจหน้าบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้ จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจมีความเจริญด้วยอายุวันนาสุขะพละโดยทั่วหน้ากันเธิ